เมื่อทำทุกอย่างเสร็จพวกเราก็แยกย้ายกันไปอาบน้ำคนละห้องแต่มาอาบน้ำใกล้กับห้องนอนของพวกเราส่วนเราก็ไปอาบน้ำอีกชั้นหนึ่งในระหว่างที่อาบน้ำอยู่เราก็ได้ยินเสียงแต็มร้องเพลงอย่างมีความสุขเหมือนกับทุกๆครั้งเพลงที่เต็มร้องนั้นเป็นเพลงหนุ่มนาคาวสาวนาเกลือซึ่งเป็นเพลงคู่ชายหญิง